กิจวัตรพิธีวัดของพวกเราท <c oughs> ี่ต้องมีต่อทศาสนาพระพุทธศาสนาในการทำวัดสวดมนต์สาธยายเอาคำสอนพระพุทธเจ้ามาสาธยายให้มันใกล้คิด กับชีวิตของเราสิ่งไหนที่มีอยู่ในพระพุทธเจ้าเราก็น้อมมาไว้ในเราสิ่งไหนที่เป็นธรรมที่เป็นกุศลเราก็น้อมมาให้เป็นของเราสิ่งไหนที่เป็นอกุศลเราก็ทิ้งไปสิ่งไหนมันไม่ทิ้งก็จะไปยึดสิ่งไหนมันเป็นทุกข์ก็่าไปยึด หนมันไม่ใช่ตัวตนก็อย่าไปหลงยึดเอาเราก็พูดจากวาจาจากปากจิตใส่ใจตามเอาไปเอามาันก็เป็นไปตามคำพูดทำให้เปลี่ยนไปได้โดยเฉพาะกัน ปฏิบัติธรรมการเจริญสติสติปัฐานสูตรเป็นสูตรที่ทำให้เกิดพระพุทธเจา้าเป็นสูตรที่ทำให้เกิดพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าเกิดอยู่ตรงนี้หละเกิดอยู่ตรงที่เจริญสติเกิดอยู่ที่ต้นโพธิโพธิก็คือตัวสติตัวปัญญา กรรรู้สึกตัวเนี่ยถ้าเรามีความรู้สึกตัวมันก็จะเกิดการพบเห็นถ้าไม่มีการพบเห็นจริงๆมันก็แจ่อะไรไม่ได้หลังกากหมอตรวจพบเห็นโรคแล้วก็เห็นส ม, มุิฐานของโรคหมอเขาก็แจ่ได้ถ้าตรวจแล้วไม่มีการพบเห็น นันก็ไไแก้ไม่ได้แต่แล้วเมืกับอูซ่อมรถแต่รถคันไหนมันเสียแต่ในช่างเขาไม่พบเห็นตอนที่มันเสียมันก็ไปไม่ได้มันก็ซ่อมไม่ได้ตายอยู่ข้างทางนั้นการพบเห็นบุญการพบเห็นบาปการพบเห็นศีลเห็นสมาธิปัญญาก็เช่นเดียวกัน แล้วเห็นอาวายัยวุมเห็นพวกเปลือกพกสัตว์นรกพวกเดษีฉานพวกอสุรกายเห็นนีมันจึงแก่ได้เห็นสวรรค์มันจึงไปสวรรค์ได้เห็นนิพพานจึงไปนิพพานได้เห็นบุญก็เอาบุญได้เห็นบาปก็ละบาปได้เหตุที่มันจะเห็นสิ่ง้แล้วนี้ก็คือตัวปฏิบัติ <c oughs> สมัยโน้นสมัย สามสิบสี่สิบปีมาแล้วหลวงพ่อก็ขาบุญกลัวบากอยากได้บุญทำแต่บุญกลัวาบากจยู่ทำอะไรก็ทำเงินชื่อว่าบุญบ้านพ่อแม่พี่น้องคนท่อคนแก่เขาพา่มทำก็ทำไปกับเขา เอาทีก็ไปหาเรียนค <c oughs> ำพูดวิชาคาถาต่างๆ่ค า, าถากนณลกก็มีถ้าเห็นคนเกิดว่าอย่างไรถ้าเห็นคนแก่จะว่าอย่างไรเห็นคนเก็บจะว่าอย่างไรเห็นคนตายจะว่าอย่างไรเรียกว่าคาถาเทวทูตทั้งสี่ก <c oughs> ็ไป เห็นคนเกิดก็ว่าคาถาลงไปเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บสมัยเป็นหนุ่ม <c oughs> <c oughs> เห็นคนแก่ผ้าฟืนเราเดินไปอาบน้ำเพราะว่าคาถากุ้งจนหน้าผาเกจุลินแต่ว่าผาฟืนผาฟืนแล้วก็หอบฟืนขึ้นบ้านแล้วก็ว่าคาถาแล้วเราก็ไปช่วยผาฟืน ไปช่วยหอบเฟินขึ้นบ้านเขาก็โดนว่างนโลกเ็ไ่อใดว่างินซื้อว่าจังไดเขาก็บอกเขาตอนนั้นก็ยังไม่ยังไม่รู้ว่าเป็นบาปเป็นบุญไม่ได้คำพูดไม่แด่วความคิดคิดก็คิดเอาไม่มีการพบเห็นจนมาได้ <c oughs> ยินข่าวของปู่เทีนยนในที่จังหวัดเลยว่าเร่งบุญเรื่องบาปจะรู้ได้ถ้าปฏิบัติธรรมละบาปได้ได้บุญรู้เรื่องพระพุทธศาสนาเรื่องสวรรค์พานได้ปฏิบัติไม่ต้องไปเรียนอะไรมันก็อูหกล้องอยู่ในหู จนอดไปหล่นทนไม่ได้วราจะมีจริงหรือปฏิบัติจะรู้เรื่องบุญเรื่องบาปอแยกค้อบไปเลยทิ้งทุกอย่างเพราะว่าเรื่องบุญเรื่องบาปเป็นเรื่องใหญ่ถ้าเรามีบุญก็ไปสวรรค์ถ้าไปบาปก็ไปนรกนะเราไม่อยากตกนรกเราไม่อยากเป็นเปรดเราไม่อยากเป็นนิสสุรกายเราไม่ อยากเป็นสติระชาต์ถ้ามันเป็นทุกข์ก็เชียนภาพไปก็โอ้ยทรมานแล้ว <c oughs> ก็กลัวนายก็ต้องแว้วยคอกไปไปปฏิบัติผมก็เทียนท่านก็สอนถ้าไม่รู้เรื่องบุญเรื่องบาปไม่รู้เรื่องธรรมะมนาก็ถามว่า คุณทำงานเดือนหนึ่งได้กี่บาทก็อตอบท่านเพราว่าได้เดือนละพันแล้วหลวงพ่อถ้าทำงี้เดือนหนึ่งไม่รู้อะไรเราจะเสียเงินให้ทีเราไปแบบไม่ค่อยมั่นใจไปสอนหลวงพ่อเรียนสอนก็สอนให้ยกมือสร้างจังหวะรูปแบบมันก็ไม่ค่อยดีต้องเคลื่อนมือต้องไวมือไว้หน่อยสุภาพ แต่เราทําเราทําแบบนั่งตรงสงบท่าทางมันดีกว่าแล้วก็ไม่ค่อยชอบคนที่สวหลวงพ่อเทียนก็ท่าทายถ้าคนทําอย่างเนี่ยจนไม่รู้อะไรเราจะเสี่ยงกันินไหมออกเป็นโยมเป็นคารวะเห็นความมุ่นใจหลวงปู่เทียนเห็นความมั่นใจเห็นความนแน่วแน่ก็เลย ตั้งใจทำลองดูทำมันก็ยังครึ้มๆึ้กลางกาทำไปบางทีมันก็กลับมาหานั่งสงบพอยกมือไปอีผมก็มาอยู่ในความสงบเพราะความสงบมันมีมาตั้งสิบยี่สิบปีมันฝึกมาแบบแบบจนเห็นเกิดเสื่ของความรู้สึกตัว ความสงบกับความรู้สึกตัวเนี่ยมัน ต, ต่างกันความรู้สึกตัวเหมือนเราออกจากถ้ำมายืนอยู่ปากถ้ามาดูทั้งข้างในถ้าและข้างนอกความสงบมันก็เหมือนอยู่ในถ้าไม่เห็นข้างนอกถ้าถ้าเรารู้สึกตัวเนี่ยเหมือนกับเราไายืนปากถ้ามองเข้าไปในถ้าก็เห็นมองไปข้างนอกก็เห็น เออมันเห็นทั้งสองทางแทนที่เราจะเข้าไปอยู่ในความสงบเราก็มาดูมันซะแทนที่จะเราไปคิดไปโน่นเราก็เห็นมันคิดมันออกไปข้างนอกมันจะสุขมันจะทุกข์มันจะคิดอะไรก็เห็นมันเองอ้าวการมายืนอยู่ปากถ้าชงเลียงชงเลืองโดมันเห็นทั้งสองอย่างมันก็เลยเป็นอิสระเป็นอิสระมันก็เกิดการเห็น เกิดการพบเห็นเห็นกับหูกับตาตามมนเป็นตาในด้วยไม่ใช่ตาเนื้อเนี่ยตาในคือความรู้สึกตัวมันเกิดอะไรขึ้นที่กายที่ใจเราวนะเราเห็นไม่มีตรงไหนที่จะปิดบังอำพรางภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายกับใจ เราดูอยู่เราเห็นอยู่ตาในลมดุนตาอยู่ไม่มีตรงไหนที่มีความหลับความสงบก็เห็นความไม่สงบก็เห็นความสุขก็เห็นความทุกข์ก็เห็นความคิดก็เห็นความหลงก็เห็นความรู้ก็เห็นเห็นทุกอย่างเลยภาวะที่เห็นนี่เ <c oughs> ด่นชัดขึ้นทํำให้ ในิ่งใจกับภาวะที่ดูภาวะที่เห็นยิ่งมาดูกายที่มันเคลื่อนไหวมันก็มีจริงๆริกายเนี่ยมันก็มีกายตัวที่มันเคลื่อนไหวมันก็มีจริงๆมันมีสิ่งที่เให้เคลื่อนไหวมีใจมีจิตมีวิญญาณมีธาตุโลมันมีแล้วก็เห็นแต่ก่อนเราไม่เคยดูตัวที่ ก็พัดเข้าไปอยู่กับอะไรแต่พุทธะเผยไปพอออกมาดูเนี่ยมั <c oughs> <c oughs> นก็เกิดได้คําตอบขึ้นมาประจับแจ้งขึ้นไปเรื่อยๆเลยๆจนมาเห็นลูกเห็นน้ำจนมาเห็นลูกดูเข้าไปเข้ามามันเห็นเห็นเป็นลูกเห็นเป็นน้ได้หลักสูตรแล้วอะไร ได้หลักฐานนิดหลักฐานได้มั้นพิาพากษาตราการสอบสวนจำเลยที่เขาตัดสินรับคดีฟ้องมีมูลการฟ้องได้สอบสวนไปดูไปมนให้ข้อมูลได้หลักฐานไม่มีหลักฐาน นี่มันได้หลักฐานม่นยอมรับสารภาพเห็นลกูกมันก็บอกว่านี่โกูกฉันไม่เป็นอะไรกับคุณเราเป็นลกูกหนึงนามมันก็เป็นเรื่องของนามไม่เกี่ยวข้องกับคุณนามมันก็บอกลูกมันก็บอกส่วนที่เป็นลูกมันบอกมันมีอะไรบ้าง มันเปิดออกส่วนที่เป็นน้ำก็เปิดออกมันพาให้เราดูธรรมชาติก็เกิดการสอนเราลูกมันสอนน้ำมันสอนมันไม่เที่ยงอย่างไรมันเป็นทุกข์อย่างไรมันไม่ใช่ตัวตนอย่างไรลูกมันบอกน้ำมันก็บอกอาการต่างๆที่เกิดอยู่กับลูกนีอะไรบ้าง อาการต่างๆที่เกิด อ, อยู่กับน้ำไม่อะไรบ้างธรรมชาติของลูกตายเดียวเป็นยังไงธรรมชาติของน้าเป็นอย่างไรมันบอกถ้าสิ่งไหนเป็นธรรมชาติมันก็เป็นธรรมชาติอย่างนั้นสิ่งไหนเนอาการก็เป็นอาการมันบอกลูกมันทุกข์น้ำมันทุกข์ <c oughs> <c oughs> มันก็บอก ทุกของรูกทุกของงามมันก็บอกอะไรที่เป็นทุกที่เป็นทุกที่เป็นทุกที่กํังวลรูปทุกอะไรที่เป็นทุกที่บันเทาทุกอะไรที่เป็นทุกที่ละน่ะมันก็เป็นระเบียบจัดสรรออกไปเป็นการจัดสรร์ออกไปส่วนไหนที่เป็นทุกที่ละส่วนไหนที่เป็นทุกที่กํังวลรูป ส่วนไหนที่เป็นทุกข์ตรงวันเทองก็บอกเกี่ยวข้องกับทุกข์เป็นระเบิดเกี่ยวข้งกับอาการของรูปของนามของกายของจิตเป็นอินเรีย์หรือว่าไปถูกจัดสรรจัดการกับชีวิตของเราแต่ก่อนไม่มีผู้จัดการตลนเตเป็นตะพุทตะเพือไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรของที่ควรจะทิ้งก็ไม่ทิ้ง คนที่คนจะสร้างสรรค์ก็ไม่สร้างสรรค์โอนไปเป็นไปวันทีก็สุขเป็นใหญ่วันทีก็ทุกข์เป็นใหญ่บางที ก, ก, งทก็ความหลงเป็นใหญ่สารพัดไปวันนี้มันจัดการภาวะที่ดูที่เห็นเข้าไปจัดการเหมือนกับผู้จัดการบริษัทอะไรต่างๆบริหารจัดการ จะทำให้เจริญได้ความถูกต้องเจริญความไม่ถูกต้องหมดหายไป <c oughs> เหลือแต่ความดีความถูกต้องไปรูเรื่องบุญเรื่องบาปไปเห็นบุญเห็นบาปเออไปเห็นศีลเห็นสมาธิเห็นปัญญาไปเห็นศาสนาไปเห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ โอ้มันคืออย่างนี้ตัวบุญคือตัวดูตัวรู้ตัวเห็นตัวบาปคือตัวไม่รู้อะไรนี่เทวติดูที่เห็นเพราทวติรู้เห็นนี่เป็นตัวบุญโง <c oughs> บาปก็คือโง่บาปคือไม่รู้อะไรสุกอว์ทุกอกวโกรเอว์หลงกว์แล้กกวก็ชังเอว์ปนี้ลูกตัวรู้ตัวเห็น เราสิไหนเป็นความโกรธไม่เอาเราไปเก็บ <c oughs> <c oughs> เห็ดหรือไปทํำอะไรที่มันเป็นเรื่องถูกต้องเราปลูกปอดเราปลูกปันหญ้ามันขึ้นเร า, าเอาหญ้าออกให้มันมันงามเราไปเก็บเห็ดเห็ดอันใดที่มันมีพิษเราไม่เอาเราเก็บเอาเห็ดที่ไม่มีพิษเราเลยเริ่มจัดการจัดสรร์ เหนละบาปได้ทำบุญได้แล้วก็มีบทบาทชีวิตที่มีบทบาทรู้บุญรู้บาปเห็นบุญเห็นบาปรู้เห็นพบเห็น้ลยไม่ใช่คิดเห็นรู้ศาสนาศาสนาก็คือคำสอนทั้งหลาย แต่พุทธศาสนาเป็นตัวปัญญาที่รู้ที่ตื่นที่เบิกบานที่ออกมาที่ออกมาเลยว่าพุทโธนยพุทโธคือตื่นทุกมันตื่นขึ้นมามันเห็นมันเราเห็นหมูหมูก็ไม่ได้กัดเราเราเห็นหนามเราก็ไม่ต้องไปเหยียบหนามมันตื่นมันเห็นพุทโทธจะตื่นพุทโธเห็นทุกตื่นทุก เขากระลาไปเห็นงูปวดทุกข์คนก็ว่เห็นงูนะมันงูกัดกูนอมันเห็นเนี่การเห็นนี่มันหลุดพ้นอยู่นั่นเห็นความทุกข์มันก็พ้นจากทุกข์เห็ความโกรธมัก็พ้นจากความโกรธเห็นความสุขมันก็มันก็มีสุขมันก็รู้เห็นสุขเกี่ยวข้องถูกต้องรู้มันทำนามมันทำแต่ก่อนรู้มันทำทุกอย่างนามมันทำทุกอย่าง วันนี้ลูกบันทำดีนามมันทําดีลูกมันละชั่วนามมันละชั่วเนี่ยเขาก็เปลี่ยนใจในตัวเสร็จเห็นเรามีสติเนี่ยเรามีสตินี่มันก็ทําดีแล้วมีสติมันก็ละชั่วแล้วมีสติกิจมันก็บริสุทธิ์แล้วไม่เปื้พนกับอันใดก็เห็นกันเห็นบุญเห็นบาปเห็นศาสนาเห็นพุทธศาสนา หลักสูตรเรื่องอารมณ์รูปนามบัดนี้ก็มามาดูทุกต่อเพราะว่าทุกมันมันชวนให้ดูมันชวนให้ดูมากมากอันทุกเนี่ยมันเป็นก้นทุกอย่างไงมาดูทุกอันที่ว่ารูปทุกนามทุกหรือมันทุกอย่างไหมันชวนให้ดูเหมือนกับเรา ทำอาคีบ พ, พอผ้าไม่ททำอะไรที่มันชวนให้เราทำมันศาสตจักสานนี่ศนะิลปกรรมรร ม, มันชวนให้ทำมันชวนให้เห็นท้าทายกับความทุกข์ท่าทายกับความผิดให้เราจักสานนีนะ่มันผิดตรงไหนมัน เป็นศิลปะมันอยากแค่มันอยากบอกใครถ้าเขาทำผิดแล้วเขาถือสัญญากระติบเข้าวเขาทังไม่ถูกเขา่าให้เราดูโอมันเป็นศิลปะแล้วเมื่อเราทงผิดแล้วก็โอ้มันเป็นศิลปะมันวางไม่ได้เมื่อมันผิดเราเจ๊ให้ลงตัวให้ได้มันต้องสโ o ป e อะไรมันต้องได้บิดบัญชีเหมือนกับเรามีการบ้าน ควทุกข์มันกับการบ้านมันยังขาอยู่มันนักเรียนที่มีการบ้านถ้าว่ายังยังไม่ได้ทําการบ้านมันก็จะเล่นไม่ได้แล้วต้องทําการบ้านให้เสร็จก่อนนั้นแม่บ้านที่ตื่นขึ้นมาแต่ยังไม่กวาดบ้านของข้าวของป่ามันก็ยังไปไหนไม่ได้เดี๋ยวลูกตื่นขึ้นมามันก็จะกินอะไรต้องเอาด้วยองนี้ก่อนแ ม, ม่ลูกจะโดนดมว่าจะเยอะขนาดไหนแม่ต้องไป จุดไปหุงข้าวฟึ่งข้าวทั้งอุ้โลกทั้งทำอะไรต่างๆแต่ว่ามันสนใจที่จะต้องทำเรื่องหองข้าวหาอาหารให้ลกเดี๋ยวไปจะไปโรงเรียนจะได้กินอะไรนี่มันเป็นม น, เ ป, น, เ, ป น, เ, ปนเป็นการชวนให้ชวนนท้ทำแลว้วก็เวรอะไรก็ไม่ขวางกันไ้ไม่ได้ด้วยสิ่งที่ควรจะทำในบ้านตื่นขึ้นมานะ มันก็ทำเรื่องนั้ความทุกข์นั้นมันชวนให้ดูชวนให้ศึกษาเพรมันจะต้องเป็นธุระเป็นสิ่งที่บากบั่นมากนา้พอเห็นความทุกข์มันเห็นอย่างเป็นสระพุทธเจ้าว่าเห็นอย่างเป็นสิฐการเห็นทุกถ้าไม่เห็นทุกข์มันจะละทุกข์ได้อย่างไรมันก็ดูมันฉายให้เราความทุกข์ทุกบางอย่าง ยังไม่ได้ดูมันก็โจมงนี้ไปแล้วอ่าทุกวหย่างสุกวัย่างต้องหลายวันงั้นกับเอาขึ้นสัน้นอ่าบักท่านสุขออพอนะทียบตรงนาะทำสั้นบักท่านสุขเนะกขึ้นไปต่อต้อนน้อยเดียวลนหมดน่ม <c oughs> ันสุกวาต้องขยโยต้องสันมันจึง จึงหลุดลงมาเลยแต่ว่าโลกพอขึ้นไปแล้วลมแล้วโคบเข็โคบเข็ทุกต่างอันนี้ผมพูดถึงถูกมะก็หลุดออกไปเห็นควโลหลงมายในโอ้ยหลุดง่ายที่สุดเลยความเชื่อเลืกเชื่อยามเชื่อผีเชื่ชชออวิธีกรรมต่างตอนี่ลดไปหมดเลยแต่ก่อนเป็นหมอเซียนสตร์เป็นหมออลไรผีเป็นหมออะไรคาถาอาคมเลยโอ้ย ถ้าเรียนบนัลถ้าเรียนหนังสือสมุดปกแข็งสองสามเล่มใหญ่เลี้ยนจบหมดนั่งกรรมตั้งแต่อขอ น, นอนตอนเย็นเองนอนขอนคืนทั้งคืนอาจจะไม่หมดถ้าข้าวใดที่ไปรักษาคนป่วยมีผีดุกลัวว่าเราจะสู้ผีไม่ได้บริกรรมคาถาอเอาเงินเจ็ดรอบสิบรอบมาอย่าเงนินแล้ว จนบางทีว่าคาถาบางบางอันบริกรรมได้เช่นคาถาเศรศาสตร์บริกรรมให้ตัวใหญ่ถ้าตัวใม่เข้าพ้องหยุดไม่ได้เอาจนตัวเร้าพ้งจนฝาจะแตกนั่นจึงหยุดได้เออถ้าขนานั่นได้แล้วเรียกว่าบริกรรมจิตอกแปกถ้ายัง คิดโน่นคินี่ไปอะต้องเอาให้นิ่งพอมามาเห็นสมมติพอมาเห็นทุกข์เห็นสมมติเข้าไปเนี่ยสิ่งมนี้กระโจมไปก่อนเขาพอโง่หลงง่มาการเชื่อผีการเชื่อวิธีทากรรมต่างๆลบทั้งหมดเลยมันอยู่กับการกระทําของเราแล้วบัดนี่างใจนผีเมื่ Spain, ออันต้องเป็นกระทําของเราไม่ได้เกี่ยวกับอย่างอื่น ไม่ได้เจอกับพิธีลีตองอย่างนื่นเชี่ยวกับการกระทําของเราจะเป็นบุญจะเป็นบาปมันก็อยู่กับการกระทําของเรามุญมันอยู่ตรงนี้บาปมันตรงละตรงนี้นั่นใจระบาดเนี่ยเป็นไปการไปเห็นจริงๆไปเห็นบาปละบาปได้เห็นไหนที่ละได้มันก็ไม่ดีสุดมันก็เบามันเราของมันเราก็มันเรามันก็เราหาบของหนักเนี่ยแต่ก่อนร้อยกิโลเนี่ย เราวางมันตั้งห้าสิบกิโลเนี่ยความเบามันก็ปากกดความหนักมันก็ปากกดแล้วไม่มีใครบอกไม่มีใครบอกพอเห็นบุญเห็นบาปมันเบาลำบาปใดมันเบาความโง่หลงมงไม่เบาไปความรักความชังลุดออกความโกรธความโลภความหลงหลุดไปคนที่โกรธก็กลายเป็นไม่โกรธ เป็นธรรมดาธรรมชาตินะครับแล้ก็ปรากฏมันมีผลรับมันมีสิ่งที่สัมผัสนะสัมผัสกับบุญเวลาบาปมันออกไปมันก็เบามันหนักมันก็เราหาบของหนักมันก็เบาวิวใช่ไหมก่อนมาหาบหนอไม้พี่ผูกคุ้งเฮ้ยแม่บอกแม่หวงนะไม่นะนหนาหาบนใหม่ <c oughs> <c oughs> อาหักต่อไม่เนี้ยแล้วเงี้ยเป็ด น, นกอเผาดีงาเจกตาหาไปร้อยหสิบเนาะยกขึนบ้าไปเลยตั้งนั่งงงไงวะเอาเพืนสอดเจกตาแบบนั่งงงดันขึนเซ่เจ๊ไตเป็นเท่าน้าจัดจัดจัดจัดจัดว่าไปหอดลอยเขา บ, บ้านใส่บานมาหับยกกัดหน้ตาอเอาแค่่า เป็นในวัเขาบอก็ตาหับจากบ่าวบาววิ <artifacts> ajo, олог, ่งไปบอกบ่าวกันสละ่ละมาเพือขึละเดินสละบาวกูกล่อมความหัวลงห่วงใยความทุกข์ต่างๆลดเลยได้ปเนยลดได้แท้แทในลึ้อ่าหลวงนายุดแมเพียน อ่าคนนั่นแหะไม่ออกแกงคอแล้วแต่มันเบารู้อ่านีบุญนี่ล่โอ้บุญคือตัวรู้เนี่ยตัวรู้ตัวรูทุกเนี่ยเดตัวเห็นแจ้งเนี่ยเลยตัวบุญไม่ใช่มาอะไรอย่างไรบ้าพุ่นแล้วโอ้ท่างตัวบนญมันอยู่ไหนบาปมันอยู่ไหนได้ยังเกิดสิ่ขึ้นมาบ้าเกิดสมาธิเกิดปัญญามาแท่นระบาดแท่นที่ปั๊บเปิด เมื่อราด่าหาบอกหน้าไม่ไหลเข้ามาปั๊บละบาดดีวเมันเป็นธรรมชาติเมื่อไม่มีทุกข์ความไม่ทุกข์ก็มีนะเมื่อไม่มีความเมื่อไม่มีความโกรธความไม่โกรธก็มาแทนเมื่อไม่มีความหลงความไม่หลงก็มาแทนตามเก่าระบาดพ้นภาวะเก่าลู่เลื่องวิปัสนาระบาดโอ้วิปัสนาคือตัวลูกคือภาวะที่ล่วงเกินเก่า ทเกา่าร่งวงเพราะว่าเก่าเลยบัณฑ์กิบไ ป, ปไไเลยบัณกิบดองไม้เลยบันเพราะมันดองไม้ดงเกา่าเรามันสะอาดกว่าเกา่าก็ผ่าห้องละอ่าแ้อเจื่อพระองคไปจอมเมือนยังเปดไปชากกันหน้า ม, มันพอดีอืมที่ไหนมาจากานี่ฮเวลาจึงเขมันไม่กินจะหน่อยเออเออเ่ไรต้องแสียไปอ้บริสรุท้าพื้นเก่าแต่ว่ามันสะอาด รับรองสะาดหอมเลยหอมเลยละบรรดาผ่าพื้นเก่กิ๊บอันเก่ากิ๊เดิมกิ๊บทุกคนมันก็เดิมเดิมอ่แล้แต่มันเปิดเปลือเปลือกนะสาสิบปีมันเปพือกเอกอะไรเราจยกเปิดเปลือนความผาบเปือเปลือกความสร้างนอกเปลือกเปลือนความอิ้าพยาบาทเปือกเปอความโกรธความหลความร้งจนเหล่าเก่าหายไปเด็กบันทึกว่าฟื้นขึ้นมาขึ้นสู่สภาพเก่า กิจสูสภาพเดิมประพัสสะระเบิดังพิกเวจิตตัง <c oughs> อ่าจิตที่บริสุทธิ์ประภัสสะจิตเดิมดิมบดนะี้เข้าสูสภาพเดิมขึ้นมาขึ้นขีบแล้วก่มันพัดไปทุกทุ่นทุกพบทุกชาติทุกแนบอย่างบัดนี้ยืนยืนยืนค ง, น, คลงลนัง่งคงระเบิดไ่ไปใจแล้วบิด ได้ที่แล้วไปกิจมันได้ที่อยู่ไม่ใช่กิจหอกมันสภาพสภาวธรรมที่มันเข้าที่มันเข้าที่มันถูกต้องมันไปไหนไม่ได้ไปยังไนที่มันได้ที่ของมันมันก็มันก็ทรงตัวมันเราปลูกบ้านมีอะไรที่มันเข้าที่มันก็อาศัยได้แล้วเรา่องหลวงพ่อเฮดซลาเนี่ยังบอกเขาทีเลยยุบอะไรหลวงพ่ทยกร น้าสิ่งนหายวินเท่าไรวันว่งินได้หมันนี้มัเข้าที่เลยต้องเมันเข้าที่มันจะอยู่ได้นะจึงจะอยู่ได้แต่าีเข้าที่มันอยู่ไมได้ไม่ใช่ไม่ได้าทางเข้าที่มีกว่าเก่าดีกว่าเก่าถูกวิวัฒนาการเลขึ้นเลยวัดวัฒนาดีขึ้นเลยวัดต่างเก่าคิ่ได้มาเห็นแล้วัดพบใหม่ด้วยวัน คนปก ja ็รองเหว่าม ki ันเป็นพบใหม่พบภูมิมันพบใหม่ภาวะใหม่เนี่ยวันนี้เอาเล่าบว่าอ่าบุเพนิวานสารสติญาติกีอะไรตะโกนไปนะพื่นดตตุปเจียญาณนี้มันจะใส่อาสาวกขยันอันไหนมันหมดไปแล้วอันไมันไมมาใหม่ ลูเองหลวงปัตต จ, จตังเวคิะตถตูเป็นโยฮยติติตหวันโอ้ยว่าไนพระพุทธเจ้า ว, ว่าสิสิ่งนี้มันยังดูนิ่งอีพี่อุเนิ ว, เวาสานุสติยานตะเกียร์สามสิปีสี่สิปีมันเป็นยังไงบุพเพคือปางก่อนตะกอนอ่าุคคลหัวโลกได้บอกมาเนาะขอ้อเท้าเนาะ <laughs> ยตุป จ, จิยามยามที่สองเกิดขึ้นยุไซบันเนี่ยที่เกิดที่ตั้งตั้งไว้ตรงไหนดูดูห้บันเนี่ยโมคคโเรสบเนี่ยตั้งไว้อย่างต้องยุตุมีที่เกิดวิธีเกิดไม่ที่นัอาสวะขยันสิ้นไปบางอย่างสิ้นไปทำอาสวะให้สิ้นไปอาสวะที่คนไม่ดีทั้งหลายะสิ้นไปโอ ได่สิ่งใดยังไงมันอยู่เมื่อไหนมันแสงสว่างเกิดขึ้นขึ้นเหมือนอยู่ว่ไดนแล้วขึ้นเหมือนกับเมือไปแล้วเล่าแสงสว่างเห็นแล้วเป่เห็นพอเธอยกร่งเห็นคนชะอาเห็นก็ได้อ๋อความสว่างเกิดเห็นเห็นบุญเห็นบาปเห็นบุญมีบุญเห็นบาปลับบากเห็นความชั่วแล้วความชั่วภพภูมิต่างๆอ่าอยู่ในกับเมือเพียงจิตติดว่ไดมันหลบภูมิ อจศุโลกายพุ่มเปรตพุ่มฤๅรีฉานพุ่มมันนุ่งเราเหลือบิสัยติปได้รับว่องบ่อตกต้นลกบ่อไปสู่พุ่มต่าบ่อไปสู่พุ่มมันต่าแทนไม่จะไปยังใดมันเห็นอยู่เนี่ยยังสี่ได้ปฏิบัติธรรมเลยปฏิบัติทร่มต้องเป็นยังสี่ต้องตอบได้เห็นเจ้งสินะสัจจะทำเลย อดีตนายดยุคนแรกฉนว่าอะไรต้องมาสร้างสติมาสร้างความรู้สึกตัวมายับดวงตามาดูเจ้าของมาเมื่อนตามาปลุกให้ตื่นพอเจลาเรียกสุศลปวดทรวงปวดทให้ตื่นขืมว่าตื่นขือว่ามามือนงตามาดูแล่มาดูตัวเองมาดูลกอโลกขยาบะมาระพาสูทั้งหลายจะมาดูลกนี่อันวิจิตการดุจหลสดเชลธ ลาจะลดคือมันตกแดงเหลือนะเขาแทงโลดด้เลยเขาแทงสีแทงกิ่นแทงเสียงแทงรดลดที่นี่ลดก็เก่ารูปก็มีรดเสียงก็มีดเนี่ยกินก็มีรดเนี่ยกายก็มีลดเห็หมลดก็เก่าเา็หลงเขานอันทหารเขาจังเห็นเหรอหลงพวกไปปีนไกลๆเนี่ยเขาไกลมาแล้วก็มาเส่ฝสลดแมนสงสลด 2-3 ชั่วโมงเขาก็เอาอย่างในใสรลงไปเอาไปปิ้นโอ้แสบแสบแสบอ่ะเอ้แทนไม่มีรถให้แทนเขาหลงยกทั้งวันมีกิจการหลุดหลาจากรถที่คนหลงทั้งหลายหมกอยู่และจมอยู่ผู้มีปัญญาหาค้องอยู่ไหมอบอกข้องไอ้แทนบอกหลงยังเป็นยังเลือกเพราะทุกคนหลอกกัน ผมก็ต้องว่าปัจจัยดีที่สุดปัจแจบบัยดีที่สุดหลวงพ่อมันว่าดีที่สุดปัจจัหลวงพอ่อคือว่านำผลดีที่สุดนำผลดีที่สุดเค็มมันยังเค็มแล้วเพราะว่ามันเป็นของกิ่งขั้วกิ่งเป็นทังสิ้นนะฮหลวงพ่อบอกฟังนอ้อย่าเชียวหลวงพ่อเลยต้องทาเด้อเพราะม่จำเราขั้วงพอมันไ่เป็นอของตอบเลยต้องมาปฏิบัติธรรมวันนี้ก็ได้เวลาแล้วพอสินนายสินทั้งหลาย ตั้งกันสมาทานประกาศสิ้นประกาศุน้กราตนุ้ดรันสาธุสาธุสาธุอจพโโตประกตะอจมิทิโสเอวะูปโอพโณโตทิปโณคุเทนะภควตาปัญญตัศะธรรมตาวันตะ เยวะตัศฐานะอุปาตตะอุปาติการังอุปโภตตะ i าตะตาโลโหติหันธรรมยังคนโตสัพเพทัสมาทตาสัตตะ m ัทวะโตธัมมานุธรรมะปฏิปปิยาปูชนธาตุนิมมจจรติงนิมมัจิวะสังอสังสัมมนาังอุโตอุปิสมาติารริเฉทงกตวา ต่างต่งเวงรัมณิงอารามณังคริสตวาอาวิกิตาคิตามุตตวาสักขจังอุโปโธตั้งสมาธิเจลยามะอิทิสังนิอุโปโธตังดสำปะตานังอันหาตังอิปิตังมานิรัตังโหตุขอประกาศเรื่องเรื่องความที่จะสมาทานรักษาโวตร์อันพร้อมไปด้วยองค์แปประการให้สาธุชนที่จะตั้งจิตสมาทานทราบทั่วกันก่อนแต่สมาทานบับนี้ โดวยวันนี้เป็นวันอัตมีดิธีที่แปดแห่งปักมาถึงแล้วก็แหละวันเช่นนี้เป็นวันที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมัญญะแต่งตั้งไว้ให้มาประชุมพร้อมกันฟังธรรมและเป็นการที่จะรับสาวโพสดของอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายเชิญเกิดเราทั้งหลายทั้งปวงที่ได้มาประชุมพร้อมกันณที่นี้พึงกําหนดการว่าจะรับสาวโพสดตลอดวันหนึ่งและคืนหนึ่งนี้ แล้วพึงทำความเม้นโทษ น, น, นั้นเป็นอารมณ์อย่าให้มีจิตทุ่งท่านตรงไปที่อื่นพึงสมาทานองค์โบสตทั้งสต่ประทารโดยความเคารพเพื่อจะบูชาสาเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นอันนึงชีวิตเราทั้งหลายก็จะอยู่รอดมาจนถึงวันโบสตรเช่นี้ขอท่านทั้งหลายจงอย่าปล่อยร่วงไปเสียเปล่าจากประโยชน์นั้นเลยมัจยังบันเต สระเนะะหาอัตถังคมนาคตังุปโ ก, กะสังย่าจามาตุติยัมตีมยังทันเติสระเนะะหอัตถังคตมนาคตังุปะัาจามาตติยัมมยังันเตสระเนะะหาอัังคมนาคตังุปะัาจามา นะโมตัสสะพุทธวะโตอะระหะโตสมมาจามพุทธะนะโมตัสสะวะโตอะระหะโตสมมามพุทธะนะโมตัสสะวะโตอะระหะโตสมมามพุทธะ ภพธรรมสารนังกาจามีธรรมสารนังกาจามีธรรมสรนังกาจามีธรรมสารนังกาจามีธรรมสารนังกาจามีทุติยมพิภพธรรสรนังกาจาม ทุต <citiz S 3> ิยมพิธมังส e รนังกัจจานิทุติมพิธังคังสรนังกัจจานิทุติยมพิธังมังสรนังกัจจานิทุติยมพิธังคังสรนังกัจจานิทุติยมพิธังสรังัจาิ ตัดยามิสังข์สระนังขจามีที่สระนักมันนังมิทิตังอาณาติปัตตาเวระมณีสิกขาปัทหังสมะธิยามีตัดนาถานาเกระมณีสิกขาปทังสมิยาม อ布拉มจาริยาเวระมณีสิกขาปัทหสมาธิามิมูซาวาธาเวรมณีสิกขาปัทหสมาिิาม <c oughs> ิ <c oughs> สุราเมริยามะชาปมมาตถานาเวระมณีศิขะปถังสมาธิานีสุราเมริยามะชาปมมาตถานาเวระมณีศิขะปถังสมาธิานีกิการภชนาเวระมณีศิขะปถังสมาธิานี นจจิกิตาปจิตาวิจโขกัตสุนมะราคันทะวิเลปนัตธาลนะมันดานะวิปุชนัตธาณะเวโรมะนีสิกขาปัตถงสมาธิามี อ e จจารย์เสยามาห์เสยนมาเวรมสุขภทางสมาิยามุยนมานาเวรมทงสมาิยามอิมอัังมนาคตังมรังิมัระติิมัวสัง สมมาเทวะอาธิราชจิตตุงสมมาธยามีพระเจ้าทั้งหลายจะข อ, อน้อมรับอโอเบสดิงอันเพราะไปร่วมแปราการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรงบรรยัติแจ้ง ต, ตั้งเวีดีแล้วจะเจริญต้าวแห่งนีเนี่ยครับ มีให้ทำรายตลอดชั่ววันหนึ่งและคืนหนึ่งเพราะกุศลทนมบุญส่วนนี้จึงเป็นอกตัญญยเป็นปัจจัยนำไปถขงพระทานในอนาคตกตารเรืองหน้านีเธอราสงบนีมมนมมน้อัตถาสิ ขบวชถ้าสีราวาเชนาชาตุคังกตวปมาเทนารักีตบหาณีสีเลนะกติงยันตสีเลนะจัมปทาสีเลนะนิปติงยันติตัสมัสีลองวิโยกพรอกันอสม